พระไตรปิฎกเล่มที่สิบเกสังยุตตนิกายมหาวราวรวรตสังยุตที่สามสติปทานสังยุตประมวลเรื่องสติปทานสี่คือการตั้งสติสี่ประการมีตั้งสติไว้ที่กายเป็นตน้นอัมพปาลิวัตหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อัมพปาลีวันสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับยุณอัมพาปาลีวันเขตกรุงเวสาลีณที่นั้นรับสั่งเรียกภิกษุมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง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 กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ว่าด้วยผู้มีสติสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดนี้เป็นคำรำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีสติสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดู การเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาทและจีวรการชันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินยืนนั่งนอนการตื่นการพูดการนิ่งณพระเจตวันภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าทูลขอโปรดแสดงธรรมโดยย่อ เพื่อจะหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคบุรุษบางพวกในโลกนี้เชื้อเชิญเราอย่างนี้เหมือนกันและเมื่อเราเด็กล่าวทรรมย่อมสำคัญเราว่าควรติดตามเท่านั้นภิกษุนั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยยอ่อ เพราะบางทีข้าพระองค์พึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคบางทีข้าพระองค์พึงเป็นผู้สืบทอดพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอจงทําเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดจดก่อนอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นที่ตรง เมื่อใดศีลของเธอจกบริสุทธิ์ดีและความเห็นจัดตรงเมื่อนั้นเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการโดยสาวิธีสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือในธรรมวินัยนี้เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ จงพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่จงพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือจงพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้และโดยในยะเดียวกันจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิต และเห็นธรรมคือธรรมะเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกหรือทั้งภายในและภายนอกมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอาพิชาและโทมนัตในโลกได้ภิกษุเมื่อใดเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจะเจริญสติประธานสีประการนี้โดยสามวิธีอย่างนี้เมื่อนั้น เธอพึงหวังความเจเริญในผูสุลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันที่จกมาถึงไม่มีความเสื่อมเลยลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิจากไปไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย ว่าด้วยธรรมเทศนาที่หมู่บ้านพราหม์ชื่อสาลาณ ห, หมู่บ้านพราหม์ชื่อสาลาแควนโกศลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดยังเป็นผู้ใหม่บวชได้ไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้เธอทั้งหลายพึงชัดชวนภิกษุเหล่านั้น ให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในการเจริญสติประทานสี่ประการคือการเชิญชวนว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เห็นเวทนาในเวทนาอยู่เห็นจิตในจิตอยู่เห็นธรรมคือธรรมะเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้ยิ่งในกายเวทนาจิตและธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแม้ภิกษุเหล่าใดที่ยังเป็นเซขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมที่เป็นด่านกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแม้ภิกษุเหล่านั้นก็พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชชัญญามีธรรมะเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้ธรรมะทั้งหลาย แม้ภิกษุเหล่าใดที่เป็นพระอระหรันตกิณาศบอยู่จบรมจรันแล้วก็พิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวปราศจากธรรมทั้งหลายแล้ว ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดยังเป็นผู้บวชใหม่บวชได้ไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมะวินัยนี้เธอทั้งหลายพึ่งชักชวนภิกษุเหล่านั้นให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในการเจริญสติปัฏฐานสี่ประการ น, นี้และว่าด้วยกองอกุศลเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองอักุศลจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงนิวรณ์ห้าประการคือธรรมะที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุ ค, ความดีเพราะกองอักุสนทั้งสิ้นนี้ก็คือนิวรณ์ห้าประการนิวรณ์ห้าประการคือการมฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ ทีนมิธานิวร อ, อุทตจักขุกุจธนิวรวิจิกิจานิวรบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสติประธานสี่ประการนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสติประทานสี่ประการ น, นี้เพราะกองกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือสติประทานสี่ประการ น, นี้แหลว่าด้วยเหียว ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเยวโชกลงจับนกมูลไทยอย่างรวดเร็วขณะนั้นนกมูลไทยกาลังถูกเยวพาไปได้ร้องคร่ำครวญอย่างนี้ว่าเราอับโชคมีบุญน้อยเทีเ่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินถ้าในวันนี้เราเที่ยวหากินในแดนหากินที่เป็นของบิดาของตนเราก็อาจสู้เหยวตัวนี้ได้เยวจึงถามว่า เจ้านกมูลไทยแดนหากินที่เป็นของบิดาของเจ้าคืออะไรนกมูลไทยตอบว่าคือถิ่นที่เป็นดินก้อนมูลไทยที่เขาไถาไว้ขณะนั้นเหยียวยิงในกำลังของตนเมื่อจะอวดอ้างกำลังของตนจึงปล่อยนกมูลไทยไปด้วยพูดว่าไปเถอะเจ้านกมูลไทยถ้าเจ้าจะไปในที่นั้นก็ไม่พ้นจากเราไปได้ ที่นั้นนกมูลไทยจึงไปยังถิ่นที่เป็นดินก้อนมูลไทยที่เขาไถไว้จับที่ก้อนใหญ่ยืนร้องท้าเหวี่ยวให้ลงมาจับเราเดี๋ยวนี้เหี่ยวนั้นยิ่งในกําลังของตนเมื่อจะอวดอ้างกําลังของตนจึงหุกปีกทั้งสองลงโฉบนกมูลไทยอย่างรวดเร็วเมื่อนกมูลไทยรู้ว่าเหวี่ยวตัวนี้โฉบมาอย่างรวดเร็วหมายจะจับเรา จึงหลบเข้าซอบค้อนดินนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเหยี่ยวนั้นจึงกระแทกกับมูลไถตายในที่นั้นเองเรื่องนกมูลไถเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินก็เป็นเช่นนี้แหละภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอะโกจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโกจร มานก็จักได้ช่องได้อารมณ์ด้านอื่นที่เป็นอโครจรของภิกษุคือกามคุณห้าประการนี้ได้แก่รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโอทัพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ ชวนให้รักชักให้ใกล้ผ่าใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายนี้คือแดนอื่นที่เป็นอักโอจรของภิกษุภิกษุทั้งหลา ย, เ, ลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นมารก็จกไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์แดนที่เป็นของบิดาของตน อันเป็นโครจรของภิกษุคือสติปฐานสี่ประการได้แก่ภิกษุในธรรมวิไนนี้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาละโทมนัตในโลกได้ภิกษุทั้งหลาย นี้คือแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโครจรของภิกษุว่าด้วยลิงติดตังภิกษุทั้งหลายถิ่นที่เป็นคุณข่าวหิ ม, มพานซึ่งไปได้ยากกรุขระไม่เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์ถิ่นนั้นมีอยู่ ส่วนภาค พ, พื้นกุลเขาอิมพานซึ่งราบเรียบนารื่นรมเป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ณที่นั้นพวกในพรานวางตังคืออย่างไม้ที่ประสมกับสิ่งอื่นและทําให้เหนียวสําหรับดักนกเป็นต้นพวกในพรานวางตังดักไว้ที่ทางเดินของฝูงลิงเพื่อดักลิงภิกษุทั้งหลาย บรรดาลิงเหล่านั้นลิงเหล่าใดไม่โง่ไม่ลอกแลกลิงเหล่านั้นเห็นตังนั้นก็หลีกห่างไกลส่วนลิงตัวใดโง่ลอกแลกลิงตัวนั้นเข้าไปใกล้ตังนั้นแล้วเอามือจับดูมือจึงติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือออกจึงเอามือข้างที่สองจับมือข้างที่สองก็ติดที่ตังนั้นเมื่อคิดจะดึงมือทั้งสองออก จึงเอาเท้ายันเท้าก็ติดที่ต่างนั้นมันคิดจะเอามือทั้งสองและเท้าทั้งสองออกจึงเอาปากกัดปากก็ติดที่ต่างนั้นอีกลิงตัวนั้นติดตังห้าแห่งอย่างนี้นอนถอนใจถึงความพินาศย่อยยับแล้วถูกในพรานทําได้ตามใจปรารถนาในพรานแยกลิงตัวนั้นออกมาแล้วยกแขวนไว้ในที่นั้นเอง ไม่ให้หลุดไปแล้วหลีกไปตามต้องการเรื่องลิงเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินก็เป็นเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอ โ, โจรเมื่อเป็นเช่นนั้นมารก็จัดได้ช่องได้อารมณ์แดนอื่นที่เป็นอโคจรของภิกษุคืคอกามกุลห้าประการ ได้แก่รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาจนถึงโพธพภะที่พึงรู้แจ้งทางกายนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโกจรเมื่อเป็นเช่นนั้นมานก็จะไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์แดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรคือสติปฐานสี่ประการ น, นี้แหล ว่าด้วยอุปมาด้วยพ่อครัวภิกษุทั้งหลายพ่อครัวผู้เเขาไม่ฉลาดไม่เชียบแหลมบำรุงพระราชาด้วยแกงชนิดต่างๆคือเปรี้ยวจัดบ้างขมจัดบ้างหวานจัดบ้างพ่อครัวนั้นไม่สังเกตชนิดแห่งอาหารของตนว่าวันนี้ท่านชอบข้าวและแกงชนิดนี้ของเรา หรือรับแกงชนิดนี้ตักแกงชนิดนี้มากหรือชมแกงชนิดนี้เพราะครัวผู้เขานั้นย่อมไม่ได้รับเครื่องนุ่งหม่มไม่ได้รางวัลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพ่อครัวนั้นเป็นคนเผาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมไม่สังเกตชนิดแห่งอาหารของตนแม้ชันใดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเขา่าไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จิตไม่ตั้งมั่นลักความเศร้าหมองไม่ได้เธอไม่กำหนดนิมิตนั้น และโดยในยะเดียวกันพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่จิตไม่ตั้งมั่นละความเศร้าหมองไม่ได้เธอไม่กำหนดนิมิตนั้นภิกษุนั้นย่อมไม่ได้ธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและไม่ได้สติสัมปชัญญะข้อนั้นร้อเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเป็นผู้เขาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมไม่กำหนดนิมิตแห่งจิตของตนและโดยนยัยะตรงข้ามกันพ่อครัวผู้เป็นบัณดิตฉลาดเฉียบแหลมเขาย่อมสังเกตชนิดแห่งอาหารว่าวันนี้ท่านชอบอะไรช่มแกงอะไรบ้างพ่อครัวผู้ฉลาดนั้นย่อมได้เครื่องนุ่งหม่มได้ค่าจ้างได้รางวัล ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพ่อครัวนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมสังเกตชนิดแห่งอาหารของตนแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวิไนนยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นบัณฑิตฉลาดเจียบแหลมพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่จิตย่อมตั้งมั่นละความเศร้าหมองได้เธอย่อมกำหนดนิมิตนั้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมย่อมได้ธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและได้สติสัมปชัญญะ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมกำหนดนิมิตแห่งจิตของตนว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวร น, นกรุงเวสาลีพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่า เธอทั้งหลายจงเข้าจําพรรษารอบกรุงเวสาลีตามที่มีเพื่อนตามที่มีคนเคยคบ ก, กันมาเราก็จะเข้าจําพรรษาในเวรุวัคาขามนี้เหมือนกันครั้นทรงเข้าจําพรรษาแล้วทรงรับประชวนอย่างรุนแรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนปารินิพานพระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นไม่พรั่นพรึง ทรงพระดำริว่าการที่เราไม่บอกผู้อุปถากไม่อำลาภิกษุสงป ร, ริธนิพพานนั้นไม่เหมาะแก่เราทางที่ดีเราควรใช้ความเพียรขับไล่อพาทานี้ดำรงชีวิตสังขารอยู่ต่อไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ความเพียรขับไล่พระอาการประชวนนั้นทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่อาการพระประชวนจึงสงบ เมื่อทรงหายจากพระประชวนได้ไม่นานได้เสด็จออกจากพระวิหารไปประทับนั่งบนพุทธาฏที่ปูลาดไว้แล้วในร่มเงาพระวิหารที่นั้นท่านพระอานต์เข้าเฝ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระสุขภาพของพระองค์แล้วได้เห็นพระองค์ทรงอดทนต่อทุกขเวทนาแล้วทาให้ร่างกายของข้าพระองค์ อ่อนเปลี้ยประดุดคนเมาข้าพระองค์รู้สึกมือทุกด้านแม้ธรรมะก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์อีกแล้วเพราะพระอาการไข้ของพระผู้มีพระภาคแต่ข้าพระองค์ก็ยังเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปราลบิกสุแล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนภิกษุสงฆ์ยังจะหวังได้อะไรในเราอีกเล่าธรรมะที่เราแสดงแล้วไม่มีในไม่มีนอกในเรื่องธรรมะทั้งหลายนั้นตถาคตไม่มีอจริยมุติไม่มีในไม่มีนอกหมายถึงไม่แบ่งเป็นสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการแบ่งธรรมะหรือแบ่งบุคคลผู้ฟังอัจจริยมุติ แปลว่ากำมือของอาจารย์คือมือที่กำไว้หมายถึงอาจารย์ที่หวงวิชาไม่ยอมบอกแก่สิทธิ์ขณะที่ตนเองยังหนุ่มแต่จะบอกแก่สิทธิ์ที่ตนรักขณะที่ตนใกล้ตายผู้ที่คิดว่าเราเท่านั้นจะเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลัก ผู้นั้นจะต้องปรารบภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแนแต่ตถาคตไม่คิดว่าเราเท่านั้นจะเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลักแล้วทำไมตถาคตจะต้องปรารบภิกษุสงฆ์กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเล่าบัด น, นี้เราเป็นผู้ชราแก่เฒ่าล่วงการมานาน ผ่านวัยมามากเรามีวัยแปสิบปีร่างกายของตถาคตยังเป็นไปได้ก็เหมือนกับเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ร่างกายของตถาคตยังสบายขึ้นก็เพราะในเวลาที่ตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทุกอย่างและเพราะดับเวทนาบางอย่างได้เท่านั้นเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยมีธรรมะเป็นเกอบมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดภิกษุจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งข้อนั้นคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่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 ที่เคร่งครัดในการเจริญสติปัฏฐานสีมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสได้นั้นย่อมเลิศกว่าภิกษุผู้ไม่ได้ปฏิบัติหรือภิกษุที่มุ่งเน้นศึกษาแต่คำภีท่องจำแต่ข้อความแม้จะขยันแค่ไหนหากไม่ปฏิบัติไม่มีสติซึ่งการมีสตินั้นสำคัญมากที่สุดในโพชฌงเจ็ดก็มีสติสามโพชฌงเป็นฐาน นำพาซึ่งการบรรลุธรรมและการเข้าถึงกุศ ล, ลธรรมอื่นๆตามมาอีกมากมายนะครับในปัจจุบันและในหลายปีที่ผ่านมาวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่เกิดความเสียหายส่วนหนึ่งก็เพราะท่านเหล่านั้นสนใจแต่ศึกษาทฤษฎีเอาแต่ท่องตำราแต่ไม่ปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติก็คงไม่ต่างอะไรกับทัพพีที่ไม่เคยรู้รสแกง แม้จะแช่อยู่ในหม้อแกงนั้นทุกวันทุกคืนก็ตามว่าด้วยการสนทนาธรรมในสำนักภิกษุณีเช้าวันหนึ่งท่านพระอานนท์เข้าไปยังสำนักภิกษุณีแห่งหนึ่งภิกษุณีเหล่านั้นได้กล่าบกับท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ภิกษุณีจำนวนมากในพระธรรมมาวินัยนี้ มีจิตตั้งมั่นดีในสติปฐานสี่ประการอยู่ย่อมรู้คุณนวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุ ณ, ณวิเศษที่มีอยู่ก่อนท่านพระอานนท์กล่าวว่าเป็นเช่นนั้นน้องหญิงจากนั้นได้ชี้แจงให้ภิกษุณีเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเพราะใจให้อาจหารกล้ากล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นราเริงด้วยธรรมีกถาแล้วลุกจากอาสนะจากไป ภายหลังกลับจากบินทบาทแล้วได้เข้าเฝ้ากราบทุนให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการอยู่พึงหวังได้ว่าจะรู้คุ ณ, ณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุ ณ, ณวิเศษที่มีอยู่ก่อนสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง คือภิกษุในธรรมวิไนนนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกำจัดอภิชาละโทมนัสในโลกได้ความเร่าร้อนในกายที่มีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นบ้างจิตอดอูบ้างจิตฟุ้งร้านไปภายนอกบ้างภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ที่นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่มอมใสอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อทำเช่นนั้นปราโมทย่อมเกิดเมื่อมีปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเธอพิจารณาเห็นว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วแกเราเอาเถอะ บัดนี้เราจะคุมจิตไวเธอคุมจิตไ ว, มต ไ, วไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีสติในภายในมีความสุขและโดยในยะเดียวกันพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะทั้งหลายอยู่ ด้วยในยะเดียวกันอานอน์ภาวนาย่อมมีเพราะการตั้งจิตไว้อย่างนี้คือภิกษุไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอกย่อมรู้ชัดว่าเราไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกลำดับนั้นเธอรู้ชัดว่าจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปข้างหน้าหรือข้างหลังหลุดพ้นแล้วไม่ตั้งอยู่ สำหรับคำว่าข้างหน้าในที่นี้มีความหมายสามในยะคือหนึ่งความยึดมั่นในกรรมฐานสองปลายนิ้วเท้าหรือสามผมข้างหลังในที่นี้มีความหมายสามในยะเช่นเดียวกันคือหนึ่งพระอระหันต์สองกะโหลกศีรษะหรือสามมันสมองเธอรู้ชัดว่า จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปข้างหลังหรือข้างหน้าหลุดพ้นแล้วไม่ตั้งอยู่ต่อมาก็รู้ชัดว่าเราพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติมีความสุขและโดยในยะเดียวกันภิกษุไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอกย่อมรู้ชัดว่าเราไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกลำดับนั้น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 ภาวนาย่อมมีเพราะไม่ตั้งจิตไว้ยอย่างนี้อานน์ภาวนาเพราะการตั้งจิตไว้เราได้แสดงแล้วภาวนาเพราะการไม่ตั้งจิตไว้เราก็ได้แสดงแล้วด้วยประการชนนี้กิจใ ด, ดที่ศัสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้น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 ดังนี้แหลสติปทานสังยุตวัคที่สองนารันทวัคหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองนารันทาว่าด้วยมหาบุรุษนักรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระสาวริบุตรเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่า ที่พระองค์ตรัสว่ามหาบุรุษด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงชื่อว่าเป็นมหาบุรุษทรงตอบว่าเรากล่าวว่ามหาบุรุษเพราะมีจิตหลุดพ้นเรากล่าวว่าไม่ใช่มหาบุรุษเพราะมีจิตยังไม่หลุดพ้นบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้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 ณปาวาริกรัมพวันเขตเมืองนาลันทาครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าเฝ้ากราบทูลถามดังนี้ว่าข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจกไม่มีและยอมไม่มีสมณพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางสัมโพธิญาญยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตร เธอกล่าวอาสภิวาจาอย่างยิ่งคือวาจาที่แสดงถึงความเป็นผู้องอาจไม่หวั่นไหวไม่สะทกสถานเธอถือเอาด้านเดียวบันลือสีหนาตคืออาการที่แป่งวาจาอย่างองอาจดุจพยาราชสีข้อนี้คือเป็นการประกาศความจริงจะต่างกับการคุยโม้โอ้อวดหรือยกตนข่มท่านนะครับสารีบุตร เธอกล่าวอาสภิวาจายอย่างยิ่งเธอถือเอาด้านเดียวบรรลือศีหหนาาดังนั้นเธอกำหนดรู้พระไทัยของพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการด้วยใจเล้าหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นทรงมีศีลอย่างนี้ทรงมีธรรมอย่างนี้ทรงมีปัญญามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นทรงหลุดพ้นอย่างนี้ทูลตอบว่ามิได้กาหนดรู้พระพุทธเจ้าค่ะและโดยในยะเดียวกันทรงถามว่าเธอกาหนดรู้พระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตการและในเวลานี้ด้วยใจแล้วดังนั้นหรือเปล่า ทุนออกว่ามิได้กำหนดรู้ดังนั้นสาวริบุตรในเรื่องนี้เธอไม่มีญาณกำหนดรู้พระทยัยพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวอภิสวาจาอย่างนี้ถือเอาด้านเดียวบรรลือสีหนาฏว่าข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมี จักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีญาณกาหนดรู้พระไทยของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ข้าพระองค์ก็รู้วิธีการอนุมาน ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองชายแดนของพระราชามีรากฐานมั่นคงมีกำแพงและป้อมค่ายนั่นหนามีประตูเดียวนายประตูของเมืองนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้เขาเดินสำรวจดูหนทางไปรอบเมืองนั้นไม่พบรอยต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุด แม้พอที่แมวรอดออกไปได้เขาย่อมรู้ว่าสัตว์ใหญ่ทุกชนิดจะเข้าหรือออกที่เมือง น, นี้จะเข้าหรือออกทางประตูนี้เท่านั้นแม้ฉันใดวิธีการอนุมานก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทราบว่ารพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการส่งละนิวรณห้าประการ อันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตถอนกาลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติประธานสี่ประการทรงเจริญโพชฌงเจ็ประการตามความเป็นจริงได้ตรัสสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมแม้พระผู้มีพระภาคในอดีตและในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วสารีบุตร เพราะเหตุนั้นเธอพึงกล่าวธรรมบัรญายนี้เนืองๆแกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยว่าโมฆบุรุษเหล่าใดจะมีความเพลีอแคลงหรือสงสัยในตถาคตโมฆบุรุษเหล่านั้นจกละความเพลอบแคลงหรือความสงสัยในตถาคตเพราะได้ฟังธรรมบัญญายนี้ ว่าด้วยจุนทะสมนุเทศหรือสามเณรจุนทะนกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสาวรีบุตรอยู่นาบ้านนาลักกะคามแขวนมคตอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักในเวลานั้นมีสามเณรจุนทะเป็นผู้ปรนิบัติท่านครั้งนั้นท่านพระสาวรีบุตร ปรินิพานด้วยอ า, าพาธนั้นแหละสามเณรจุนทะจึงเดินทางไปบอกท่านพระอานนท์ละผ่ากันเข้าเฝ้ากราบทูลให้ทรงทราบท่านพระอานนท์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อท่านพระสารีบุตรปรินิพานแล้วร่างกายของข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยประดุษพลเมารู้สึกมือทุกด้านแม้ธรรมะก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์ เพราะเหตุที่ท่านสาวรีบุตรปรินิพานแล้วนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสาวรีบุตรเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันหรือวิมุตติญาณทัศนขันปรินิพานไปด้วยหรือเปล่าตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านสาวรีบุตรได้เป็นผู้ให้โอววาดชักนำให้รู้ ชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเพราะใจให้อาจหารแกล่วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงเอาใจใส่ในการแสดงธรรมอนุเคราะห์เพื่อนพรมจารีข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงโอชาแห่งธรมธรมโอคธรรมและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมะนั้นของท่านพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนน เราได้บอกเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วไม่ใช่รู้ว่าความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่า ขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไปเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่ต้นที่ใหญ่กว่าพึงโค่นลงแม้ฉันใดเมื่อภิกษุสองมูใหญ่ผู้เป็นหลักยังดำรงอยู่สารีบุตรปรินิพานแล้วก็ฉันนั้นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง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 มีความเอียนมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในบัดนี้ก็ดีในเวลาที่เราล่วงไปก็ดีจะมีตนมีธรรมะเป็นเกาะมีตนมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุ ผู้ใกล้ต่อการศึกษาว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อุกกเจลนิคมเมื่อพระสาวรีบุตรและพระโมคคัลลานะบริณิพานได้ไม่นานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำคงคาเขตอุกกเจลนิคมแขวนวัชี พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ที่นิ่งอยู่แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อสารีบุตรละโมคลานะปริณิพานแล้วบริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่าสารีบุตรละโมคะลานะอยู่ในทิศใดบริษัทของเราไม่ว่างเปล่า ไม่มีความห่วงใยในทิศนั้นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นใดได้มีแล้วในอดีตการหรือจะมีในอนาคตการแม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็จะมีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเหมือนสารีบุตรละโมคลานะของเราภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งอัศจรรย์นี้ไม่เคยปรากฏ สำหรับสาวกทั้งหลายชื่อว่าสาวกทั้งหลายจะกทาตามคำสอนและทําตามคำสั่งของพระศาสดาจะเป็นที่รักที่พอใจและเป็นที่เคารพสรรเสริญของบริษัทสี่พิษุท์ทั้งหลายน่าอาจจัศจรริงสำหรับตถาคตเมื่อคู่สาวกเห็นปานนี้ปรินิพานแล้วโสกกะปริเทวะย่อมไม่มีแกตถาคตฉะนั้น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 ผู้เป็นหลักยังดำรงอยู่สารีบุตรละโมคะลานะปารินิพพานแล้วก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายจงมีตนมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นเกาะข้อนี้คือภิกษุในธรรมวิเนนี้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียร มีสัมปัชชัญญามีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุเหล่าใดเหล่านึงในบัดนี้ก็ดีในเวลาที่เราล่วงไปก็ดีจะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งจะมีตนมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นเกาะไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ใกล้ต่อการศึกษา ว่าด้วยพระพาหิยะนักรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระพาหิยะเข้าเฝ้ากราบทูลขอประทานวรโรกาลขอโปรดแสดงธรรมโดยย่อซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวพระผู้มีพระภาคต ร, รัสว่าพาหิยะเพราะเหตุนั้นเธอจงทาเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดจดก่อน อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นที่ตรงภาหิยะเมื่อใดศีลของเธอจกบริสุทธิ์ดีและความเห็นจากตรงเมื่อนั้นเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐานสีประการจงพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนา จิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อใดเธออาศัยศีลดํารงอยู่ในศีลและจากเจริญสติปัฏฐานสี่ประการ น, นี้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงหวังความเจริญในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันที่จกมาถึง ไม่มีความเสื่อมเลยท่านพระพาหยะจากไปไม่นานไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายว่าด้วยธรรมะที่เป็นอริยภิกษุทั้งหลาย สติปทานสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นอริยเป็นนิยานิกธรรมนำออกไปเพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญสติปทานสี่ประการนั้นว่าด้วยเท้าสหามวดีพรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นอาชาปาละนิโครธ ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราตำบลอุรุเวลาทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความรำพึงขึ้นมาว่าทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาญธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งทางนั้นคือสติปัฏฐานสี่ประการ ครั้งนั้นท้าวสห บ, บดีพรมปรากฏกายขึ้นกราบทูลยืนยันคําของพระพุทธองค์ว่าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วกล่าวคถาประพันธ์ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรมอันเป็นส่วนที่สุดสิ้นแห่งชาติทรงอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลทรงรู้จักทางอันเป็นทางเดียวซึ่งเหล่าบัณฑิตได้ข้ามมาก่อนแล้วจักข้าม และกําลังข้ามโอขะได้ด้วยทางนี้ว่าด้วยธรรมเทศนาที่เศตษกะนิคมณนะเศรษกะนิคมแขวนสุมพะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวสุมภพะชื่อเศษกับครั้งนั้น รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วคนจันทานผู้เป็นนักไต่ราวยกไม้ไผ่ขึ้นตั้งไว้แล้วเรียกสิทธิ์ชื่อเมธกะทาลิกะบอกให้ขึ้นราวไม้ไผ่แล้วยืนบนคอของตนแล้วกล่าวว่าเธอจงรักษาเราเราก็จะรักษาเธอเราทั้งสอง ต่างคุ้มครองรักษากันและกันอย่างนี้จักแสดงศิลปะจักได้ลาบและจักลงจากราวไม้ไผ่โดยความสวัสดีเมื่ออาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้วเมธกะาธาริกะผู้เป็นสิทธ์ได้กล่าวว่าก็เรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นหาไม่ได้ท่านจงรักษาตนผมก็จะรักษาตนเราทั้งสองต่างคุ้มครองรักษาตนอย่างนี้จึงแสดงศิลปะ จะได้ลาบและจะลงจากเราไม่ไผ่โดยความสวัสดีภิกษุทั้งหลายอุบายี้เรื่องนั้นมีอยู่เหมือนสิทธิ์ชื่อเมธกะทาลิกะได้พูดกับอาจารย์นั้นอุปมาณี้ฉันใดอุปไมัยก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติสติปฐานสี่ประการด้วยคิดว่าจากรักษาตน พึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจักรรักษาผู้อื่นบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อรักษาตนด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญด้วยการทำให้มากชื่อว่ารักษาผู้อื่น บุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อ well ื่นเป็นอย่างนี้และบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนเป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยจิตเมตตาด้วยความเอ็นดูชื่อว่ารักษาตนบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตน เป็นอย่างนี้แลเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจากรักษาตนพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจากรักษาผู้อื่นภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตน ว่าด้วยนางงามในชนบทภิกษุทั้งหลายมูมหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทข้อนี้หมายถึงหญิงที่งดงามกว่าหญิงอื่นในชนบทจึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้นหน้าดูยิ่งนักในเวลาฟ้อนรำหน้าฟังยิ่งนักในเวลาขับร้อง หมู่มหาชนได้ทราบข่าวดังนั้นจึงประชุมกันแน่นขนาดประมาณไม่ได้ทีนี้มีบุรุษคนหนึ่งผู้รักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกเดินมาหมู่มหาชนพึงพูดกับเขาอย่างนี้ว่าท่านพึงนำภาชนะน้ำมันซึ่งเต็มเปี่ยมนี้ผ่านไประหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามชนบทแล้วจกมีบุรุษเงื้อดาบติดตามไปข้างหลังโดยบอกว่า ถ้าท่านจะทำน้ำมันหกแม้เพียงหน่อยหนึ่งในที่ใดสีสักของท่านจะขาดตกลงในที่นั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันน้นแล้วเผลอนาไปในภายนอกหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เรายกอุปมานี้มาก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนเนื้อความในเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้คําว่าภาชนะน้ํามันซึ่งเต็มเปี่ยมนี้เป็นคําเรียกกายคตาสติเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอย่างนี้ว่ากายคตาสติจักเป็นกรรมฐานที่พวกเราเจริญทําให้มากทําให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้งให้มัน่นคงสั่งสมปรารกดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลศีลถิติวัตรหมวดว่าด้วยความดำรงอยู่แห่งศีลว่าด้วยศีลที่เป็นกุศลณเมืองปตาตลีบุตร ท่านพระพัทนาเข้าไปหาท่านพระอานุนถึงที่อยู่ได้ถามดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ทรงมีพระประสงค์อะไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ก็เพียงเพื่อเจริญสติปัฏฐานสีประการเท่านั้นสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง คือภิกษุในพระธรรมวิไนนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ ก็เพียงเพื่อเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เท่านั้นว่าด้วยความดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัต ธ, ธ ร, รมท่านพระพัฒทะถามท่านพระอานนุนว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัต ธ, ธ ร, รมดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จป ร, ริญนิพพานแล้วและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้พระสัตธรรมดำรงอยู่ได้นานเมื <S <S <S <S ่อพระตถาคตเสด็จบาลิณิพานแล้วตอบว่าเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญไม่ทําให้มากแล้วพระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้ไม่นานและเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วพระสัตธรรมจึงดำรงอยู่ได้นานแม้เมื่อพระตถาคตเสด็จบาลิณิพานแล้ว การที่บุคคลไม่เจริญไม่ทำให้มากในสติปทานสี่พระสัตธ ร, รมจึงเสื่อมเพราะสติปฐานสี่ประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพระสัตธ ร, รมจึงไม่เสื่อมว่าด้วยการเจริญสติปฐานบางข้อสมัยหนึ่งท่านพระสาวรีบุตรกับท่านพระมหาโมคลานะ เข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่และถามดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะที่เรียกกันว่าพระเสขะด้วยเหตุเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะท่านพระอนุรุทธะตอบว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพระเสขะเพราะได้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการเป็นบางข้อสติปัฏฐานสี่ประการคือการพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้บุคคลชื่อว่าเป็นพระเสขะเพราะเจริญสติปัฏฐานสประการ น, นี้เป็นบางข้อคำว่าพระเสขะหมายถึงพระอริยะตั้งแต่โสดาบัน แต่ยังไม่สําเร็จอารหันนะครับพระอาเสขะหรือก็คือพระขีณาสพพระอาหารหันนั้นที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอาเขะนั้นเพราะได้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการครบบริบูรณ์ว่าด้วยผู้รู้โลกท่านพระสาวรีบุตรถามท่านพระอนุรุทธะ ถึงความเป็นผู้มีอภิญนญ nah <smells S 1> ามากเพราะธรรมะเหล่าไหนที่ท่านเจริญทําให้มากแล้วตอบว่าเพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่เจริญทําให้มากแล้วเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้กระผมจึงถึงความเป็นผู้มีอภินญามากและผมรู้แจ้งโลกหนึ่งพันโลกได้เพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่เจริญทําให้มากแล้วอย่างนี้แหละ ว่าด้วยสิริวัฒกะขาบดีนกรุงราชกุลสิริวัฒกะขาบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักจึงขอให้คนไปกราบนิมนต์พระอานนนให้โปรดอนุเคราะห์ไปเยี่ยมครั้นไปถึงบ้านของข่าบดีนั้นแล้วจึงได้ถามถึงอาการได้รับคำตอบว่าป่วยเป็นไข้หนักอาการกําเริบเป็นทุกข์หนักมาก ท่านพระอานอนจึงกล่าวว่าข้าบูดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจากพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปัตชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้จากพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แล กาหาบดีนั้นกล่าวว่าธรรมะคือสติปัฏฐานสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วมีอยู่ในผมและผมก็เห็นชัดในธรรมะเหล่านั้นเพราะผมพิจารณาสติปัฏฐานสี่โดยนัยนั้นแล้วท่านผู้เจริญโอรัมภากยาสังโยชน้5ประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วผมไม่เล็งเห็นโอรัมภากยาสังโยชน้ประการนั้นข้อใดข้อหนึ่งในตน ที่ยังละไม่ได้ท่านพระอานนุนจึงกล่าวชื่นชมขหาบดีนั้นว่าเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วอนนาคามิผลท่านก็ทำให้แจ้งแล้วพระสูตรต่อไปคือมณทินนัสูตรว่าด้วยมณทินนักหาบดีเนื้อความเหมือนกับพระสูตรที่แล้วทุกประการนะครับดังนั้นจึงขอละไว้ในฐานที่เข้าใจ ในพระไตรปิฎกหลายเล่มมีพระสูตรที่เนื้อหาเหมือนกันทุกอย่างทุกตัวอักษรเพียงแต่เปลี่ยนชื่อคนหรือเปลี่ยนแค่บางคำนะครับดังนั้นเพื่อความกระชับจึงต้องขออนุญาตข้ามไปหรือสรุปให้สั้นๆอีกครั้งจึงเรียนมาเพื่อโปรโดทำความเข้าใจและหากท่านใดประสงค์จะศึกษาให้ละเอียดสามารถตรวจสอบกับพระไตรปิฎกออนไลน์ได้เสมอนะครับ ต้องไม่ลืมนะครับว่าในสมัยพุทธกาลท่านสืบต่อพระไตาปิดกนั้นมาด้วยการท่องจําจึงเอาเนื้อหาที่เป็นเรื่องจริงมาแต่งเป็นบทสวดทําให้มีคําซ้ําไปซ้ํามาและสำนวนหลายอย่างก็จะเป็นสำนวนที่เหมือนกันเป็นการเรียงเป็นคาถาประพันธ์หรือเป็นบทสวดเพื่อให้ท่องคล่องปากจําได้ง่ายและการทวนไปทวนมาก็ทําให้เนื้อหาไม่ผิด เป็นการตรวจเช็คเนื้อหาอีกรอบข้อนี้จะส่งผลดีกับคนที่นำไปสวดแต่ต้องแปลให้เข้าใจด้วยนะครับเหมือนเราได้ท่องอะไรซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาจากตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจพอเจอครั้งที่สองครั้งที่สามก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ในปัจจุบันเรามีบันทึกเป็นหนังสือแล้วการทำสื่อแต่ละอย่างก็ต้องพิจารณาถึงคนฟังและความกระชับ และผลที่ดีที่สุดในการเผยแพร่ในช่องทางนั้นๆด้วยก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะครับสําหรับตัวผู้อ่านเองการกระชับแบบนี้ทําให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วก็ฟังทวนได้ประโยชน์ดีกว่านะครับไม่อย่างนั้นจะค่อนข้างสับสนเพราะการฟังกับการอ่านต่างกันมากนะครับ อนนุตสุตวักหมวดว่าด้วยธรรมะที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนนักรุงสาวสถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้คือการพิจารณาเห็นกายในกายการพิจารณาเห็นกายในกายนี้ควรเจริญการพิจารณาเห็นกายในกายนี้เราได้เจริญแล้วและโดยในยะเดียวกันจักสุยานปัญญาวิชาและแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้คือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าการพิจารณาเห็นกายในกายจนถึงธรรมในธรรมนั้นนี้ควรเจริญจากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าการพิจารณาเห็นกายในกายจนถึงธรรมในธรรมนั้นเราได้เจริญแล้วว่าด้วยธรรมะที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่ประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่ประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่านึงพลาดแล้วอริยามรรคมีองค์แปดที่ใหถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้ว ส่วนสติปัฐานสี่ประการนี้อันบุคคลเราได้เราหนึ่งปรารบแล้วอริยมรรคมีองค์แปดที่ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารบแล้วภิกษุทั้งหลายสติปัฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้ภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด นี้เป็นคำร่ำสอนของเราสําหรับเธอทั้งหลายผู้มีสติเป็นอย่างไรคือพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาทั้งหลายจิตในจิตธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัชญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างนี้แล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 ภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดนี้เป็นคำร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทาเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีว่าด้วยผู้ละชันทะภิกษุทั้งหลายสติปทานสี่ประการนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมานต์ในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมละสันทะคือความพอใจในกายนั้นได้เพราะละสันทะได้จึงทำอมตะคือนิพพานให้แจ้งการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็เช่นเดียวกัน ว่าด้วยผู้กำหนดรู้สติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่ประการคือภิกษุในธรรมวิัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายเป็นต้นนั้นอยู่ย่อมกำหนดรู้กายเพราะกำหนดรู้กายจึงทำอมตะให้แจ้งโดยในยะเดียวกันย่อมกำหนดรู้เวทนาย่อมกำหนดรู้จิตย่อมกำหนดรู้ธรรมเพราะกำหนดรู้จึงทำอมตะให้แจ้ง ว่าด้วยการจำแนกสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือภิกษุในธรรมวินียนี้พิจารณาเห็นกายในกายเป็นต้นนั้นจนถึงธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัชชญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้การเจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินนยนี้พิจารณาเห็นธรรมะเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมะเป็นเหตุดับในกายอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมะเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมะเป็นเหตุดับในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมานัตในโลกได้และโดยในยะเดียวกัน พิจารณาเห็นธรรมะเป็นเหตุเกิดและเหตุดับในเวทนาในจิตในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนต์ในโลกได้นี้เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานปฏิปทาที่ให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างไรคืออริยามรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี้เรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานอมตะวักหมดว่าด้วยอมตะ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 ว่าด้วยทางเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมัยหนึ่งเราเมื่อแรกตรัสรู้ได้เกิดความรำพึงขึ้นมาว่าทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมวดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะรละปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยญาตธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง ทางนั้นคือสติปทานสี่ประการภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติอยู่เธอนี้เป็นคำร่ำสอนของเราสําหรับเธอทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสติปัฐานสี่ประการเพราะกองกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือสติปฐานสี่ประการ ว่าด้วยปาติโมคขังวรภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลขอโปรดแสดงธรรมโดยย่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอจงทําเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดจดก่อนอะไรคือเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคือในธรรมะวินัยนี้ เธอจงสมรวมด้วยสังวรในพระปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาทและโคจรคือการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดเมื่อทำได้เช่นนั้นเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการ ภิกษุรูปนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิจากไปไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายว่าด้วยการละทุจริตภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าขอโปรแดแสดงธรรมโดยย่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเพราะเหตุนั้น เธอจงทําเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดจดก่อนคือในธรรมวินัยนี้เธอจักละกายยตุจริตแล้วเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตแล้วเจริญมโนสุจริตเมื่อเป็นเช่นนั้นเธออาศัยศีลดํารงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการ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 ว่าด้วยเวทนาภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสสุขเวทนาคือไม่ทุกข์ไม่สุขเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการเพื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการนี้อาสวะสามประการคือกามาสวะภาวาสวะ และอาวิชชาสวะเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการเพื่อละอันสวะสามประการนี้หมวดว่าด้วยคังคาเปยยานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ชันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่ประการทำสติปัฏฐานสี่ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานหมวดว่าด้วยโอคะโอคะคือห่วงน้ำเปรียบสังสารวัตคือการเวียนไห้ตายเกิดว่าเป็นห่วงน้ำใหญ่ ที่ต้องภาคเพียนวายข้ามห่วงน้ำนี้เพื่อไปจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นให้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทธมภากิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องสูงห้าประการนี้ได้แก่รูปปราคะอรูปปราคะมานะคือความถือตัวอุททะและอวิชชาภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปทานสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อลาอุทธมภากิยะสังโยชตหประการ น, นี้จบสังยุตที่สามสติปทานสังยุต